ถ้าใครที่สนใจเลิกยามใครอยากคานวณดูเลกดูยามว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือแหมคนเกิดอย่างนี้ได้เลิกอะไรเป็นต้นเนีก็มาดูะนะจะได้จับยามสามตาดูเลิกดูยามดูดวงน่ยนะก็บอกว่านักษัตวร์เลิกดาวเลิกคือในเดือนอุตตราศาสตร์ก็คือพร่มหาบุรุษลงสู่คันพระชนนีเสด็จออกมหาพิเนศกรมประกาศพระธรรมจักรยมะกะปาติหารเลิกเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน8 วันเพ็ญเดือน8ดเนี่ยนะหนึ่งยังลงสู่คันจุติจากดุสิตมาเกิดในพระพุทธในพระคันพุทธมารดาสองออกบวชสประกาศพระธรรมจากสี่แสดงยมกะปาฏิหารก่อนไปจำพรรษาที่เทวโลก4อย่างเนี่ยนะก็คือแสดงในวันเพ็ญเดือน8ปนะก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันนะวันแรมหนึ่งค่ำนี่เป็นวันเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันวันนั้นแหละเป็นวันที่พระองค์เนี่ยจุติจากดุสิตเกิดในพระคัน ส อ, ออกบวช3ประกาศพระธรรมจักสีย ม, มะกะปาติหารส่วนวันเพ็ญเดือน6 ก, ก็คือประสูตรัตรสรููและปรินิพานอานันนี้ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วส่วนวันเพ็ญเดือน3มมาฆาเรกนั้นทํากิจ2 อ, อย่างคือประชุมสาวกสนิบาตและปลงมายุสังขารส่วนนักษัตว์ดาวเรกชื่อว่าอัจฉริยะก็คือเสด็จลงจากเทวโลกอันนี้ก็คือวันวันเพ็ญออกพรรษานะวันออกพรรษา คือคื อ, คอก่อนออกพรรษาออกพรรษาจะเป็นแรมหนึ่งค่ำอ่ะตรงวันเพ็งวันนั้นอนะ่ะเป็นวันที่พระองค์ลงจากเทวโลกที่เรียกว่าตักบาทเทวโรหณนะอะไรที่เราว่ากันนะนีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนักษัตริย์ส่วนเรื่องปกปติธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่มีอยู่30สิอย่างธรรมดาธรรมดาแปลว่าธรรมดาแลนะธรรมนิยามอ่ะนะธรรมดาตัวนี้แปลว่าธรรมนิยามเช่นมันมีนิยามอยู่ห้าอย่างจิตตนิยามพีชนิยามอุตุนิยาม มนิยามแล้วก็ธรรมนิยามอันนี้นิยามคือว่าธรรมดาปกปติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีอยู่30อย่างที่ธรรมดาก็คือแปล ว, ว่าธรรมดาทั่วไปสําหรับพระพุทธเจ้ามีอยู่30ท่วนคือหนึ่งพระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้ายมีสติสัมปชัญญะลงสู่พระขันพระชนนีท่านมีสัมปชัญญะเลยนะ มีสัตวกะสัมปชัญญะเป็นต้นลงสู่คันขมานดาไม่ใช่เบลอมาเนี่ยนะหลับมาเนี่ยเขาเอามาส่งนะหมายว่าแบบอะไรนะห้อง ICU แบบอะไสลบมาเลยมาฟื้นอีกทีห้อง ICU ไม่ใช่แบบนั้นพลอยอีกทีมาห้องคลอดบ้งที่หลับมาเลยนะอยู่ในคันก็หลับมาตลอดมารู้อีกทีก็คลอดมาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะตั้งนานกว่าจะนึกออกพระพุธทธสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นตอนที่พระองค์จุติจากดุสิปตปฏิสนธิในพระคันเนี่ยมีสัมปชัญญะ ข้อที่สองพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิในพระคันของพระชนนีหันพระพักออกทางข้างนอกคือปกตินะถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยหันหน้าไปหาหลังหันหน้าไปดูกระดูกสันหลังแม่แต่เนี่ยถ้าของพระโพธิสัตว์หันหน้าหันหน้าออกไปข้างนอกอันนี้ก็อธรรมดาอกีกข้อที่สามต่อไปนะชนนีของพระโพธิสัตว์ต้องยืนประสูตรอันนี้ก็ธรรมดา สี่พระโพธิสัตว์ออกจากพระคันพชนนีหมายคข้ามาพระโพธิสัตว์ต้องเกิดที่ป่าเท่านั้นคําว่าป่านี่แปลว่าสวนไม่ใช่ว่าหมายวเข้าไปป่าไผ่ไปสุกๆอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าสวนที่น่ารื่นรมที่น่าบันเทิงใจอย่างที่ห้าพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องวางพระบาทลงแผ่นบนแผ่นทองหันประพักไปทางพิศเหนือย่างพระบาท7จก้าตรวจดูสี่ทิศแล้วก็บรื้อสีหนาาแป่งอาสพิวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดส่วนข้อต่อไปอีกนะบอกว่าพอพระโอรสสมภพเห็นนิมิตสีแล้วก็ออกมหาพิเนสกรมอันนี้ก็เรื่องธรรมดาเห็นหน้าลูกเห็นนิมิตสี่ออกบวชนี่ธรรมดาข้อต่อไปพระโพธิสัตว์นั้นถือผ้าคงชัยแห่งพระอรหันต์ออกผนวดบำเพ็ญเพียรกำหนดอย่างต่าที่สุดต้องเจ็ดวัน ต้องไม่ต่ำกว่า7วันเนี่ยนะรวบรวมโพธิปัจจะธรรมประมาณ7วันจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่างที่8ต้องเสวยข้าวมาัทุปายาตในวันที่บรรลุพระสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นก็มีบางคนทําบุญตั้งความปรารถนาขอให้ได้ถวายข้าวปลายาตเนี่ยนะแม้ราจะได้ทําบุญใส่ข้าวปลายาตเนี่ยทำบุญใส่บาตรเนี่ยน ะ, ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องนั่งเหนือสันทัดเครื่องล่าที่ปูด้วยหญ้าแล้วบรรลุพระสัพพัญญุตญาณในข้อสิบ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกจนได้ฌานสนะเป็นบาตรของระลึกชาติเป็นบาตรรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายเป็นบาตรการพิจารณาอริยสัจอันนี้เหมือนกัน11พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นต้องกําจัดกองกําลังมารเรียกว่าต้องอ้างบารมีสิบชนะมารเนี่ยถือเป็นเรื่องทุกพระองค์ต้องเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นจะต้องบริจาคบุตรภริยาบริจาค อวัยวะอะไรนะบริจาคบุตรบริจาคภริยาบริจาคทรัพย์ที่เรียกว่าอย่างเช่นพระเวสสันดรเนี่ยจะต้องทําอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นเอาอะไรมาสู้มารเน่ยนะเรียกว่าชัยชนะโดยธรรมนั่นเองนี้เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ต่อไป12โพธิบาลังนั่นแหละพระองค์ได้คุณธรรมที่เป็นอาสาธารณะตั้งแต่วิชาสามเป็นต้นก็คือเช่นวิชาสามยานที่ไม่ขัดข้องในการสาม ยานในอริยสัจสี่ยานในอริยมรรส4ี่ยานในอริยผล4ี่ยานในปฏิสัมพิทา4เนี่ยนะยานที่กําหนดกําเนิด4ยานในอินทรี่ห้ยานในพละหยานที่กําหนดคติ5ยานที่เป็นอาสาธารณะ6เนี่ยนะยานที่เป็นอาสาธารณะหยานที่กําหนดโพชฌงเจ็ยานที่กําหนดอริยมรรสมีองค์8ยานที่แจ่มแจ้งในอนุปพภะวิหารสมาบัติ9ทศพลยาน10เป็นต้น พระคุณทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วล้วนแต่สำเร็จณนะโพธิบาลังอนะอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมด า, านะเพราะได้พระคุณที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกณนะตําแหน่งนั้นประดุจราชาพิเศษเนีย่ยนะประดุจราชาพิเศษ 13. พ ร, พ, พระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วต้องยับยัง้งพักอยู่ใกล้บริเวณต้นโพ7เจ็สัปดาห์นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะในหนังสือที่เขาบอกว่าเจวันก็แก้เป็นจสัปดาห์แทนแค่นั้นนะ ส่วนเท้ามาหาพรหมทูนาราธนาเพื่อให้แสดงธรรมเนี่ยนะแปลว่าพระองค์ทุกองค์ขวนขวายน้อยพรหมาราธนาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามูสัตว์โดยมากขอรบพรหมส่วนต่อไปที่สิบห้าถ้าในกลับนี้นะพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องประกาศพระธรรมจักรณป่าอิสิป ต, ตนมฤุกขายวันพระเสียรยะเมตรัยมานะใครจะไปรอที่พารณสีก็ได้นะอธิษฐานไปเกิดพารณสีก่อนมาไปให้มันถูกยุคนะ ไปไม่ถูกยุกก็ตัวใครก็ตัวใครแล้วค่ะเนี่ยไปอาบน้ําแถวคงคาก็ตามใจห <c oughs> นาวเหน็บเนี่ยนะไปอาบน้ําส่วนวันเพ็ญเดือนสามนี่นะมาฆาปุรมียกปาติโมกขึ้นแสดงณนะที่ประชุมสาวกประกอบด้วยองค์สเนี่ยนะก็คือวันมาฆาบูชาวันเพ็ญเดือนสามอ่ะน ะ, ะพระองค์แสดงปาติโมกอันนี้คือถือเป็นเรื่องธรรมดา เสร็จแล้วประจําพรรษาอยู่ประจําโดยมากอยู่ที่พระเชตะวันอันนี้ก็ธรรมดาพพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะจําพรรษาอยู่เชตะวันอยู่ทั้งหมด19บพรรษาแต่ไปไปมามา4ีปีไปไปมามาเนี่ยนะสีปีแต่ว่าจําพรรษาโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานี่ติดกันเลย19ปีวิสาวัดนางวิสาขาอีกหปีแล้วก็ที่อื่นๆก็ประปรายเนี่ยนะรองลงมาอีกก็คือเมือง เวลุวันเนี่ยเวุวันก็สี่ปีที่เหลือก็ตรงนั้นปีนี้ตรงนี้ปีนก็แล้วแต่ความสมควรเสร็จแล้วพระองค์ต้องแสดงยมกกปาติหารใกล้กรุงใกล้ประตูกรุงสาวถีเนี่ยนะที่ทำยมกกปาติหารนั่นแหละส9เก้าพระองค์แสดงอภิธรรมณะพดาวดึงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกองค์ แล้วก็20สเสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูสังกสารนครอันนี้ก็ธรรมดา21พระองค์เข้าพระสมาบัติอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ธรรมดาพระองค์ตรวจดูเวไนยชนวันละสองครั้งอันนี้ก็เรื่องธรรมดาครั้งไหนเช้ามืดกับตอนบ่ายพระองค์จะตรวจดูเวไนยศัสตร์เนี่ยนะก็คือเจริญกรุณาแบบใหญ่ๆเลยแบบชุดใหญ่จริงๆเลยนะแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็แผ่พุทธจักสุข ตรวจดูสัตว์พรสตร์ทั้งหลายเช้ากับบ่ายวันละสองรอบมาไหนพระตรวจดูแล้วไม่เห็นใครเลยอ้อาพระองค์ก็ไม่พระองค์ก็มีกิจอะไรเยอะแยะเช่นพระอภรรษมาบัตเป็นต้นแล้วก็เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นพระองค์ก็ต้องบัญญัติศิกขาบทอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนั้นแล้วบัญญัติชาบัญญัติวินยัยไม่ใช่ว่า บัญญัติวินัยก่อนเกิดเรื่องไม่จะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยบัญญัติวินัยนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลนะก็บอกอ้าวถ้าพระพุทธเจ้าเก่งจริงนะทาไมพระองค์ไม่บัญญัติวินัยไว้ก่อนอ่ะถ้าหากว่าพระองค์เป็นสัพพัญยูจริงอ่ะพระองค์รู้หมดว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทเอาไว้ก่อนสิอ่านะทีนี้เขาก็มี เ, เขาก็มาเปรียบเทียบเอานั้นถ้าหมอ หมอรู้ว่าคนไข้คนนี้จะเป็นสีแล้วรู้ว่าจะเป็นตรงนี้แล้วเขาสีมันยังไม่เกิดแล้วเขาไปหมอไปผ่าตรงนั้นเสร็จแล้วก็เรียกค่ายานีเกาจะให้ไหมไม่ให้นะก็บอกว่าเขาก็มีตัวอย่างเปรียบเทียบอันนี้เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องว่าต้องถูกเรียกว่าบัญญัติให้ตรงเวลาอันสมควรเนี่ยนะให้ให้ตรงเวลาเหมาะสมกับเวลาจึงบัญญัติทวินยัยอย่างต่อไป24บบอกว่าเมื่อมีเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้นพระองค์ก็จะตรัสชาดกเช่น ฝนโบกกระพัดตกลงมาในสมาคมญาติผู้ใดต้องการให้เปียกก็เปียกไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกแล้วอาศัยเหตุการณ์นั้นผมก็แสดงชาดกเช่นมหาเวสสันดรชาดกเนี่ยนะอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ตรัสพุทธวง์ในสมาคมพระประยุรญาตินี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะหมายว่าพระญาติมาประชุมกันหมายว่าหลังจากตรัสรู้แล้วเข้าไปที่เมืองของพระญาติแล้วแสดงพุทธวง์นี้เป็นเรื่องธรรมดา ธรรมดาอย่างต่อไปก็คือว่าพระองค์ปฏิสันฐานกับภิกษุอาคันตุกะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาหมายว่าถ้าพระภิกษุอาคันตุก ะ, ะมาจากที่ไกลเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะถามมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสรีระยนต์มีจักรสีทวาร9้าของเธอยังเป็นไปได้หรือเธอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือไม่ลำบากด้วยปัจจัย4อยู่หรือการเดินทางของเธอลำบากไหมเป็นต้ น, นแน่การที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา รวมทั้งแม้กระทั่งถ้าใครมากราบไหว้พระองค์ก็บอกว่าขอให้มีความสุขเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ตัดอย่างง่ายเป็นเรื่องธรรมดาอีกที่หนึ่ง27เนี่ยนะพระองค์จําพรรษาแล้วถูกนิมนต์ถ้าไม่ทูลบอกลาก่อนจะไม่ไปหมายคำว่าถ้าผู้ใดบอกว่านิมนต์พระพุทธเจ้าจําพรรษาอยู่ณเมืองนี้หรือณที่นี้เสร็จแล้วหลังออกพรรษาแล้วพระองค์ต้องบอกเขาก่อนแล้วพระองค์จะไปอันนี้ธรรมดาสําหรับพระพุทธเจ้าแต่พระภิกษุทั้งหลาย ในคมภีร์ก็มีแต่ว่าโดยมากไปแล้วไม่ลาเมื่อออกจากบ้านใดก็ไปเลยเนะเก็บของเสร็จก็ไปได้เลยอ่านะัต่อไป28่สิบแทรงทำกิจก่อนและหลังเสวยยามต้นยามกลางยามสุดท้ายทุกๆวันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็คือพุทธกิจเนี่ยนะกิจก่อนชันกิจหลังฉันกิจในยามต้นกิจในยามกลางแล้วก็ยามสุดท้ายก่อนก่อนอาหารหลังอาหาร นะช่วง6โมงถึง4ี่ทุ่มช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองช่วงตีสองถึงสว่างเขาแบ่งเป็นก็แปลว่าใช้24ชั่วโมงคุ้มหมดแล้วก็29สเสวยรถมังสะในวันปรินิพานหมายเขาว่าฉันเนื้อแล้วปรินิพานอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา30เข้าสมาบัติ2 4 0 0แสนโกดสมาบัติเนี่ยนะแสนโกดบางทีเขาแปลว่า2ล้านี่โกดเนี่ยนะ้านี่โกด แล้วก็ปรินิพานอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแปลว่าสมาบัติอันนี้เท่ากับตอนที่พระองค์แรกตรัสรู้อันนี้ก็เรื่องเรื่อ ง, รองธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ส่วนอนันตรา ย, ยิกธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมีอนันตรายกธรรมแปลว่าไม่มีอันตรายสําหรับอันตรายไม่มีเลยสําหรับพระพุทธเจ้าไม่มีอนันตรายอยู่4อย่างด้วยกันหนึ่ง ใครใครไม่อาจทําอันตรายแก่ปัจใจสี่ที่มีเฉพาะต่อพระพุทธเจ้าได้สมัยมีพระชนนะถ้าใครจักของอะไรมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าไม่มีใครทําลายสิ่งนั้นได้เช่นถ้าเขาเอาอาหารเนี่ยเจาะจงมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงๆงตัวเลยไม่มีใครทําลายอะไรได้ปัจใจสี่นะไม่ว่าจะเป็นจีวรอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่าเนี่ยถ้าเจาะจงพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ถึงมือพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอันตรายอันนี้เรียกว่า อนอันตรายยิกธรรมทำทที่ไม่เป็นอันตรายข้อที่หนึ่งข้อที่สองใครใครไม่อาจทำอันตรายแก่พระชนมายุ ข, ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลใช้ความพยายามปลงพระชนชีพของพระตถาคตอันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเป็นไปไม่ได้ค่ายังไงก็ไม่สำเร็จอย่างเช่นพระเทวทัตที่จะทำลายพระองค์นี่ยังไงก็ไม่สำเร็จแล้วต่อไปบอกว่า ใครๆไม่อาจทำลายมหาุริศลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการได้ไม่มีใครมาทำลายได้และความแก่ก็ทำลายไม่ได้เพราะพระองค์ปรินิพานก่อนนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ามหาปริษลักษณะจะเริ่มเปลี่ยนพระอทรงก็ปรินิพานพระองค์ต้องปรินิพานในช่วงที่เขาเรียกว่ายังเป็นที่รักแห่งมหาชนเท่านั้นและก็อย่างที่สี่ก็ไม่มีสิ่งใดมาทําอันตรายแก่พระพุทธรังสีหรือฉับพันธ์รังสีได้ ไม่ว่าแสงจันท์แสงอาทิตจะมากรบกรบพระชับพันนรังสรีไม่ได้แสงแสงแห่งเทวดาเป็นต้นก็กรบพระฉับพันนรังศีไม่ได้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้อ่านให้ฟังคร่าวไว้ก่อนแล้วพราะวัดต่อไปเราก็คงจบนี้พรุ่งนี้ก็คงเริ่มมหาปริญญนิพานสูตรเนี่ยจะเอามหาปริญนิพานสูตรมาอ่านให้ฟัง แล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะเอาเกี่ยวกับเรื่องธาตุอันตรธานนีรายละเอียดเล่าถึงเรื่องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกับบริขารแปดของพระพุทธเจ้าเป็นต้นในรว่ากระจัดกระจายไปอย่างไรในหน้า739ข้อ28บอกว่าพระชินวรมหาโคตมะพุทธเจ้าปรินิพานณนาครกุสินาราพระบรมสารีริกธาตุก็แผ่ไปกว้างขวางเป็นส่วนในประเทศนั้นนั้น พรธาตุาก็กระจัดกระจายไปอย่างที่เรารู้กันนะกระจายอยู่ที่ไหนบ้างแต่ถ้าเป็นสมัยแรกปริณิพานก็คือส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างไว้ที่เมืองราชครึกส่วนหนึ่งอยู่ตกอยู่ที่เมืองเวสาลีส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองกบิลพัทอีกส่วนหนึ่งอยู่ในเมืองอลกัปปะส่วนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านรามคามบ้านพรามอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นครเวททีปะกะ ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ม ล, ละของนครปาวาเมืองปาวาเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เจ้ามั ล, ละเมืองกุสินาราส่วนโทนพรามสร้างตมพระสถูกก็คือได้ที่แบ่งนั่นแหละก็คืออะไรทนานแบ่งพระธาตุนั่นแหละได้ไปกษัตริย์โมริยะผู้มีพระไทยยินดีสร้างอังคารสถทธุกษัตริย์โมริยะมาหลังพวกก็เลยได้ขี้เท่าไปอังคารแล้วว่าขี้เท่าก็เลยได้ขี้เท่าไปอย่างนี้อ่ะนะ เรายังไม่ได้ขี้เท่าเลยขี้เท่าเรายังไม่ได้เลยนะเราก็ไปเหมือนกันขี้เท่ายังไม่ได้เลยแล้วเรืงยังไปยังไม่ได้ไปกราบเลยไม่ได้ไปถึงโนนเลยอย่าว่าขี้เท่าเล ย, ยเรื่องแล้วไปกราบที่กุสินารา ย, ยังไม่ได้ไปเลยจะทำบุญใหม่ก็แล้วกันส่วนสทุบันจุพระบรมสารีริกธาตุใหญ่ๆสําหลังพุทธปรินิพพานเนี่ยมีอยู่แปดแห่งก็คือที่ตุมพระ JD, เจดีขอภายแปดแห่งก็คือแปดเมืองที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ ขนานที่แบ่งพระธาตุเป็นส่วนที่9้าอังคารก็คือคิดเท่าเป็นที่10ประดิสถานไว้ในการนั้นพระธาตุธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ยนะองค์หนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงอะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปก็อย่าลืมแวะไปด้วยนะพระธาตุธาตุพร ะ, ะเขี้ยวแก้วเนี่ยนะใครจะไปก่อนก็แวะไปกราบบ้างอย่าลืมเราไปเที่ยวสวนจะเพลินหมดเลยนะไปชอปปิ้งจะลืมเลยไงไม่ดีนะยังไงยังไงก็แวะไปไหว้พระธาตุก่อนที่ดาวดึงอะนะแลอีกไม่นานกันแล้วก็จะบวกมืออำลาหรือใครไปส่งใครกันก่อนอะนะ ยังไงยังไงก็มีตัวให้พอนะอย่างนันฮะอีกองค์หนึ่งเนี่ยนะพระธาตุองค์หนึ่งอยู่ที่นาคาปุระแปลว่าเมืองหน้าอีกองค์หนึ่งอยู่ที่แคว้นคันธาระแคว้นคันธาระนี่เขาเชื่อว่าองค์หนึ่งเน่ยน่าจะไปอยู่ที่เมืองจีนอีกองค์หนึ่งก็คือไปอยู่ที่เมืองศรีลังกาเนี่ยนะก็คือเนี่ยแคว้นคันธาระนี่แหละแคว้นคันธาระกลิงข้าวที่ไปศรีลังกา แล้วอีกองหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ได้ที่เมืองจีนน่ะนะก็คือมีอยู่สองค์พระเกี่ยวแก้วส่วนพระธันตธาตุฟันฟันสีเนี่ยนะฟันทั้ง4ี่ี่พระเกศาคือเส้นผมโลมาคือขนทั้งหลายเทวดานําเอาไปแห่งแหล่งแห่งละอย่างหรือว่าแห่งและจักรวาลด้วยซ้ําไปต่อต่อตกันไปจักรวาลมันไหว้ได้ทุกทิศเลยไหว้ถูกพระเกศาธาตุพระธันตธาตุพระโลมาธาตุแน่นอน ส่วนอื่นๆก็ถูกไฟพัดเพลิงเผาหมด น, น, นะเช่นพระโลหิตพระมังสะพระอะไรอย่างอื่นน ะ, ะไฟไหม้หมดแล้วทีเ่เหลือก็เหลือเนี่ยเฉพาะอะไรกระดู๊ฟันขนผมเล็บเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าเล็บเหลือที่ไหนบ้างไม่กล่าวไว้ส่วนบาทไม้เท้าจีวร อ, อยู่ที่เมืองวชิรานครวัชิรานครเนี่ยนะเมืองเพชรเนี่ยนะไม่รู้เพชรไหนไม่ทราบ วชิรแะแปลว่าเพชรเนี่ยนะอยู่ที่เมืองเพชรว่า ง, งั้นไม่ทราบว่าเพชรบุรีหรือเปล่าส่วนผ้าอันตรวาศผ้าสะบองผ้านุ่งเนี่ยนะอยู่ที่กุลรครันครส่วนผ้าปัจจัทรณะผ้าปูนั่งอยู่ที่เมืองกบิละธรรมะกรกคุณาผ้ากรองน้ำํำตะคดเอวอยู่ที่เมืองปาตลีบุรตรนะปัตจะเนี่ยนะปะตัตนัะของเราไปก็ไม่ได้ไปกราบกันเลยนะรู้อยู่ตรงไหนส่วนผ้าสรงน้ำเนี่ยนะผ้าอาบน้ำอ่ะอยู่ที่เมืองนครจำปา ไม่ใช่จำปาศักดเมืองเรานะไม่ใช่พระอุณาโลมอุณาโลมก็คือขนมีอยู่เส้นหนึ่งงอกที่หน้าผากแล้วก็เวียนประทักษิณที่หน้าผากพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่แควนโกศลผ้ากาสาวพัดคือผ้าที่นุ่งหม่มผ้าที่พระพุทธเจ้านุ่ง อ, อยู่ที่พรหมโลกผ้าโพกพระเศียรผ้าโพกหัวเนี่ยนะตอนที่ตัดผมเนี่ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาววดเดืองรอยพระบาทติดที่แผ่นหิน ฝ่าพระบาทรอยพระบาทเนี่ยที่พระองค์ประทับไว้นะโยติดอยู่ที่แผ่นหินติดอยู่ที่นครกัตชตะปุระหรือว่าเขาก็เชื่อว่าอะไรนะเกี่ยวกับรอยพุทธบาทมีที่ไหนบ้างหนึ่งที่เมืองนาฏสองที่ชายน้ําแห่งหนึ่งแล้วก็ที่เนี่ยที่สุมาณกูดที่ศรีลังกาแล้วก็ที่หนึ่งก็เชื่อว่าที่เนี่ยที่อะไรนะสระบุรีเนี่ยนะพุทธบาทเนี่ยนะสระบุรีเขาเกี่ยวกับพุทธบาท ส่วนผ้านิสีธนะผ้าปูนั่งอยู่ที่แควนอวันตีผ้าปูราดที่ผ้าปูราดแปลว่าผ้าปูนอนเนี่ยอยู่ที่เทวุลูกอยู่ดาวประดึงเป็นต้นส่วนไม้สีไฟเนี่ยนะหรือแปลว่าไม้ข้อไฟเช็คพระพุทธเจ้าเหมือนกันเถออยู่ที่นครมิธิลาผ้ากรองน้ําอยู่ที่แควนวิเทหะมีดกล่องเข็มอยู่ที่นครอินท ป, ปตัตตะก็คือ Delhi, นิวเดลีอินท ป, ปัตตะก็คือที่เดลี ในครั้งนั้นบริขารที่เหลืออยู่ในอปรันตกะชนบทในครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายจักบูชาพระบริขารที่พระมุนีใช้สอยแล้วในครั้งนั้นเพราะว่าเจดีนี้ก็เรียกว่าแบ่งเป็นสรีริกะเจดีสาริรกะธาตุเจดีบริโภคเจดีอุเทสิกะเจดีแล้วก็เจดีก็คือที่ที่พระองค์เคยใช้สอยเนี่ยนะวก น, นี้ก็เป็นที่สตั้งแห่งการเคารพบูชาจะได้รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าขณะพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอย่างนี้นะ กระดูกก็กระจายผมก็กระจายขนและขนเป็นต้นก็กระจายของข้าวของเครื่องใช้ก็กระจัดกระจายพระธาตุทั้งหลายก็กระจัดกระจายมันก็ควรที่จะสังเวชและของเราล่ะจะเหลือไัมยนาะมันจะกระจายอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ทราบเนนะเขาก็ทิ้งลงแม่น้าหรือเปล่าไม่ทราบถ้าปลาก็กินเอาไปอีกเนี่ยมันก็กระจายไปเรื่อยนะพระบรมสารีริกธาตุของพระโคดมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ แพ่ไปอย่างกว้างขวางพระบรมสารีริกธาตุได้เป็นของเก่าในครั้งนั้นพระบรมธาตุก็ดำรงอยู่ก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าธาตุเวไนะพวกที่ได้กราบได้ไหว้พระธาตุทั้งหลายเรียกว่าต้องให้พระธาตุแปลภาษาไทยว่าต้องให้กระดูกสอนะจึงจะได้ผลว่า ง, งั้นเถอได้กราบไหว้กระดูกนะพอเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพระไตรปิฎกก็ไม่อ่านใช่ไหม ฟังทำต่อพระภาคก่อใหม่เอาพระไตรปิฎกก็ไม่อ่านก็เหลือไหว้พระาธาตุถ้าพระาธาตุดังไม่ไหว้ก็ตัวใครตัวใครแล้วกันเ น, นนะก็สงสารกันเองกันละกันงนั้นถ้าหากว่าพระาธาตุก็ยังไม่ไหว้ก็หมายว่ามันต่ําที่สุดแล้วว่า ง, งั้นไหว้พระาธาตุเนี้ยเพราะตอนนี้มันก็เลยทําได้ไม่ยากจับเทศกาลบูชาพระาธาตุเลยนะบูเทศกาลบูชาพระาธาตุปฐมเจดีผู้เอ่อเทศกาลบูชาไหว้ภูเขาทองเทศกาลบูชาไหว้ พ, พระธาตุพนมพระธาตุเขาก็มีประเพณีไหว้ธาตุคนเต็มลังพระเจดีย์เลยไม่น่าเชื่อนะเต็มมากเพไปไหว้พระธาตุได้ไปสวดอารังหน้าโมนิดๆหน่อยๆที่เหลือก็ขอหมดเลยขออะไรบ้างก็ขอไปเ้นก็มีอยู่เท่านี้บอกเขาไปไหว้พระนะบอกไม่ใช่ไปชมพระก็คือไปขอเผื่อพระท่านจะให้อะไรบ้างอะไรเงั้นนะะอย่างนี้แหละจริงพวกเราน่าสงสารนะแบบผู้หอยหิวทางวิญญาณเพราะงั้น <c oughs> นูนก็หายอะไรเอาก็ไม่มีโลกุตระรมพอที่จะเอิบอิ่มทางใจใช่ไหมมันก็เป็นคนที่หิวตลอดเลยนะทีนี้ข้อความโดยสรุปในพุทธวงศนิคมกระฐานหน้าเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดกล่าวถึงการพันน า, าพุทธวงศเนี่ยนะที่พระพุท ธ, ธตะนะพระพุท ธ, ธตะเนี่ยนะ ได้เรียบเรียงเอาไว้บอกว่าการพันนาพุทธวงโ์อันงดงามด้วยนัยย์อันวิจิตซึ่งผู้รู้บทพันนาให้ง่ายท่านทําให้ง่ายที่สุดแล้วละ่ะถึงความสําเร็จด้วยคาถาคําที่กล่าวไปเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าพุทธทัตตายึดทางแห่งอัตถกถาเก่าอันประกาศเนื้อความแห่งบาลีพุทโธงเป็นหลักอย่างเดียวแล้วเรียบเรียงอัตถกถาพุทโธงเพราะละเว้นข้อความที่ย่นเยอะประกาศเอาแต่ข้อความอันไพเราะทุกประการ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามะทุรัถวิลาศีวิลาศิีก็แปลว่าความงดงามด้วยเนื้อความประดุดน้ําผึ้งว่างั้นนะมธุระเนี่ยมธุรสก็คือหวานอ่อนหวานเนื้อความนี่อ่อนหวานเพราะว่าพุทธวงศ์นี้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาถ้าอ่านพุทธวงศ์แล้วก็ยังไม่มีศรัทธาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะมันก็ไม่รู้จะไม่ได้มีอะไรจะเทศแล้วว่างั้นเถอะอเมื่อสาธุชนผู้มีวาจาไพเราะชื่อว่ากันหัธาตุสาธุชนเน่ยนะ เขาเชิดกันหาเนี่ยแปล ว, ว่าธาตุดำาถ้าแปลาตามสำนะักกันหาแปลว่าดำใช่ธาตุธาตุก็คือธาตุนธาตุดำแต่เขาคนนี้เป็นคนดีมากมีคำพูดที่ไพเราะนะแต่เช่อจริงๆท่านอาจเป็นคนรูปงามก็ได้ได้สร้างวิหารที่มีกำแพงและซุ้มประตูอันงามโดยอาการต่างๆถึงพร้อมด้วยร่มเ ง, งาเลน้ำหน้าดูหน่ารื่นรมเป็นที่คับแคบแห่งทุรชนที่ถูกกาจัด แต่ว่าเป็นที่สงัดสบายเจริญใจณนะท่าเรือกาวีระณนะท่าเรือกาวีระไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ทราบไปศรีลังกากนะ็ไม่รู้ว่าท่าเรือกาวีระจะอยู่ตรงไหนที่ที่ศรีรังกานะที่ว่าเนี่ยก็คือมีอุบาสกคนหนึ่งเขาสร้างวัดถวายานะสร้างวัดถวายพระพุทธทัตตะให้สร้างวิหารสร้างวัดสร้างที่พักที่น่ารื่นรมให้ท่านเรียกเรียงคำพีมัทุระถวิลาสินี เ, นะเป็นวัดที่เกลื่อนกลนไปด้วยญาติโยมหญิงชายที่เข้าไปบูชากัน ข้าพเจ้าอยู่ณนะพื้นปราศาสด้านที่ตะวันออกในวิหารเรียกว่าวัดท่าเรือกาวีระนั้น น, นะเป็นวัดที่เย็นอย่างยิ่งได้เรียบเรียงอัตถกถาพาันนาพุทธวงศ์อัตถกถาพันนาพุทธวงศ์นี้เว้นอันตรายข้าพเจ้าแต่งสําเร็จดีเลยแล้วฉันใดหมายค่ะว่าท่านเรียบเรียงมัุรวฐาวิลาสีอธิบายขยายความพุทธวงศ์ตามแนวอัตถกถาเก่าแก่นั้นสําเร็จโดยไม่มีทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายเลย เพราะฉะนั้นขอความตรึกความปรารถนาะความต้องการของชนทั้งหลายที่ต้องการโดยฉูกถูกต้องชอบธรรมจงสําเร็จโดยเว้นจากอันตรายฉันนั้น น, นะตั้งสัจจะวาจาว่าที่ท่านเรียบเรียงคำภี์ไม่มีอันตรายเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดปรารถนาะสิ่งใดโดยถูกต้องโดยชอบธรรมเช่นปรารถนาะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นขอความปรารถนาะจงสําเร็จโดยปราศจากอันตรายข้าพเจ้าพุทธตะพูดเรียบเรียงพุทธวงศ์นี้ พันนานะนะบุญที่เกิดจากพันนาด้วยด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นขอโลกจงประสบแต่ประโยชน์อย่างดีขอให้โลกทั้งหมดเนี่ยสงบยั่งยืนทุกเมื่อนะด้วยบุญที่ได้ทําแล้วนี้ขอให้โลกสุขสงบร่มเย็นนะขอโรคทั้งปวงของมนุษย์ทั้งหลายจงพินาศไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงพินาศจงเสียหายจงแตกทําลายไป แม้ฝนก็จงตกต้องตามฤดูกาลแม้สัตว์นรกก็จงอยู่เป็นอย่างอยู่อย่างมีความสุขเป็นอย่างดีเป็นประจำเพราะปกตินรกทุกข์มากเหล่าเปรตปีศาจทั้งหลายก็จงปราศาจากความหิวกระหายขอเทวดาทั้งหลายกับหมู่อับซอ น, เ ป, นองงเป็นต้นจงสวยสุขในเทวโลกนั้นๆท่านเจริญเมตตาได้กว้างขวางนะจริงๆก็ตามหลักสัพเ ท, ทพเทวาสพเพมโนซาสเพ วินิปาติกาเนี่ยนะก็คือก็แบ่งว่าเจริญเมตตาให้แก่เทวดาเจริญเมตตาให้แก่มนุษย์เจริญเมตตาให้แก่พวกวิณิบาตเจริญเมตตาให้แก่เหล่าสัตว์นรกเจริญเมตตาให้แก่พวกเปรตขอให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญนะด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้เจริญเรียบเรียงพระพระคัมภีร์เหล่านี้เพราะฉะนั้นขอธรรมะของพระจอมมุนีจงดํารงอยู่ในโลกยั่งยืนตลอดกาลนาน ขอท่านผู้มีหน้าที่คุ้มครองโลกก็คือผู้ปกครองเนี่ยนะมีพระราชาเป็นต้นจงปกครองแผ่นดินให้เป็นสุขเถิดก็ แ, แสดงว่าอันนี้ความปรารถนาของท่านที่เกิดจากบุญที่ได้จากการเรียบเรียงพุทธวงศ์นี้พระเถระโดยนามที่ท่านครูทั้งหลายขนานนามให้ว่าพุทธตะแต่งเรียบเรียงอัตถกถาชีอว่ามาทรัฐวิลาสี คัมภีร์นี้ที่นำประโยชน์สืบสืบกันมาโดยความที่สังขารตั้งอยู่ได้ไม่นานสรุปเนะสังขารตั้งอยู่ไม่นานก็ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจมารตอยู่เพราะผู้ที่เรียบเรียงคัมภีร์เหล่านี้ก็สูญสลายไปแล้วไม่นานคัมภีร์เหล่านี้ก็จะไม่มีคนอ่านกระดาษก็จะผุพังไปในที่สุดไม่มีการพิมพ์ต่อไปสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าเช่นนี้ มัตถวมูรัตถวิลาสีเนี่ยนะถ้าจะกล่าวไปแล้วถ้าจะสวดนี่ต้องพักประมาณ26ครั้งโดย2ี่พานะวาระแปลว่าสวดแล้วพักยี่ครั้งโดยคันถะานหนังสือประมาณ6500าคันถะมีอักษรอยู่ประมาณสามหมื่นสามพันอักษรสองหมื่นสามพันอักษรท่า น, นบอกได้เลยนะเออข้อไหนะ้ะใช่ไหมขอไม่ใช่สองแสนสามพันอักษรไม่ใช่นะ แม้ลูกน้ำก็วางไว้ผิดที่นี่งงไปหมดเลยนะอันนั้นสองแสนสามพันอักษรโอ้ท่านนั่งนับได้นะเท่าไหร่นะนะมาทรัฐถาวิลาสินีนี้เข้าถึงความสำเร็จโดยปราศจากอันตรายฉันใดขอความดำริของสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยธร ร, รมหรือความปรารถนาที่ถูกต้องโดยชอบธรรมจงสำเร็จฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมเจริญอ น, น, นร่วมฟังพุทธวงร่วมฟัง มัทุรัถาวิลาสีอัตถคถาพันนาพุทธวงศ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้นะขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วนหน้ากันนะขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้รับมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าโดยทัว่วกานี่นะสาหรับพุทธวงศ์ในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่าน